นั่งแบบสบายนั่งยังไงก็ได้มันสบายเอาถนัดหน้าประเพียดนั่งสมาธิอยจะนั่งย อ, องก็ด้ท่านั่งนั่งมโนโคูมิก็ไดอนนอออ้อันนี้คือกาสบายใ่วาสุขัดในเบื้องต้นก็คือการปรับการนั่งขัดสมาธิเป็น ท่าที่สบายเลือดลมเดินสะดวกท่าอื่อนมันนั่งไม่ได้นานเพราะว่ามันไปทับเส้นเลือดเลือดมันเดินไม่สะดวกตอนนั่งเน็ดขึ้นเน็ดชาเดี่ยเลือนมันเดินไม่สะดวกนั่งกันนั่ง ส, สมาธิเป็นที่เรานันแต่ว่าสบาย ขาขวาทำขาซ้ายมือขวาทำมือซ้ายตั้งการตรงนี่คือการตั้งเรียรกได้ว่าตั้งตัวตั้งตัวจะตังโลกทั้งหคือการสร้างเนื้อสร้างตัวส ร, ร้างครอบครัวแจะตั้งตัวใน่ตามทางในการตั้งสติทําไมต้องตั้งสติ คำตอคือสติมันไม่ไตั้งจริเราอย่าไปว่านของเหมือนเราเดินถ้าเราตั้งน้ำได้คือเดินตรงร่างกายตรงมันก็เดินสดวกแต่ถ้าเราตั้งไมได้เดินไม่ตรงเหมือนเด็กที่กำลังตั้งไข่ มันเดินพวกเราไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่ไม่ไดพเพราะยังไม่ตัง้ตงตัวยังไม่ตั้งตรงหรือเราโตกันบ้างเวลาจะเดินก็เหมือนกันเราไม่มีใครเดินหลังค่อมหลังโง่ยืนซ้ายยืนขวาตะแคงขวาไปตะแคงข้งขายไปย น, นี่กันเดินก็คือตรงๆหนึ่งเราตั้งตัวตั้งกายตั้งใจจิตเราไม่ก็เหมือนกัน ถ้าใจเรายังไม่ตั้งก็คือมันวันไว้ไปตามสัญญาอารมณ์ที่กระทบหรือปฏิฆาก็จำเป็นตรรมตั้งเมือนครูอาจารย์ท่านพูดคำแรกที่จะใช้สมุดเรียนบอกเาก็ต้องยินเราตอนเป็นเรนนอ้อยจนป้าใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คิดมันเป็นคำธรรมดาคำพื้นๆฟังดูเหมือนไม่มีอะไร บอกฝันคืออะไรอเอาตั้งใจอทำไมเราว่าบอกให้ตั้งใจก็เพราะใจเรามันหวั่นไหวโอนเอ็นไปตามสัญญาอารมณ์กระทบโอนไปเอียงมาเจอซ้ายเจอขวามันไม่มั่นคงก็เลบอกตั้งใจเหมือนกันวันที่เราก็คือให้ตั้งใจไม่ได้ตั้งกายนี่เองเพรากายเรามาตั้งแล้ว นั่งสมาธิตั้งกายหรือจะตั้งใจไอ้ความตั้งใจเนี่ยไม่ได้เกีเ่ยวกับเจตนาเพราะบางทีบางคนไปพอ้องไม่เข้าใจว่าคําว่าตั้งใจคือเจตนาก็เป็นส่วนทนึงของการตั้งใจเจตนาคือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของการทํามีเจตนาเพื่ออะไรในทางกฎหมายท้งกย็ยกอตรนี้เป็นหลักออื ว่าคนจะกระทำความเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนให้ดูที่เจตนาก็คือดูที่ตั้งใจเราเองว่าเจตนาให้เกิดไหมคือตั้งใจกระทำไหมหรือไม่ไทําหรือที่ทําไปด้วยความประมาทโทษมันก็ลดลันลงไปใจเรบบาเหมือนกันเราต้ตั้งใจเพิ่มในตรงรีบตั้งใจมันตรง ไปจะเดินไปข้างหน้าได้เดินก็คือวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำรองอ้านไปข้างหน้ามันจะเรียกว่าตั้งใจประตั้งใจพราะฉะนั้นก็ดูใจดูใจก็คือดูความู้สึกนึกคิดของใจนยมาเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าเราไม่ดูใจของดูเ ร, เราเราจะไปดูสิ่งอื่นคิดเป็นรองลงมา มันไม่ได้มีความสําคัญอะไรแต่ใจที่มันไม่ได้ตั้งไม่ได้มีเจตนาเลยเข้าใจผิดเหมือนกับคนเราทัา้งหลายเหมือนกับคนเราเนี่ยณปัจจุบันิเรามองย้อนเข้าไปตัวตนของเราของเขาก็คือตัวเราเองผู้อื่นพอดีดูซิว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างกายกับใจเราให้ความสำคัญอันไหนมากกว่ากันในชีวิตประจำวันกายคือใครใจคือใครสองยู่สองส่วนทำงานร่วมกันกายเป็นบ่าวเป็นผู้รับใช้ ส่วนใจเป็นเจ้านายให้เราเข้าใจตรงกันอย่างนี้ทีนี้เวลามีความผิดความชอบเกิดขึ้นม า, มาไม่ว่าด้วยกันความคิดกับพูดด้วยการกระทํากัน แ, แตนน่เกิดขึ้นมาพมาวกนี้เราส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่เราจะไปโทษที่กายไม่โทษใจแปลว่าโทษลูกน้อง ไม่ได้โทษเจ้านายเจ้านายก็ลอยตัวเลยเรนี้มีบริษัททั้งร้านมีความผิดขึ้นมาลูมน้องรับผิดชอบนายไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนี้มันจะยุติธรรมไหมไม่เลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากายมันทําผิดไม่ว่าจะเรื่องของตาหูจมูกลิ้นสารพัดมือแขนขาที่มีอยู่มันเป็นเรื่องภายนอก มันเป็นลูกน้องมันเป็นผู้รับใช้ต้องขออย่ญาตนะว่ามันไม่ใช่คำกลางนี่คามมํคายาบ <c oughs> เขาเป็นผู้รับใช้ใจแล้วเวลามีความผิดอะไรไประโยชน์เขาโดยที่ใจไม่รับผิดชอบอะไรเลยอย่างนี้เรยมันไม่เป็นธรรมยศตาไม่ดีหูไม่ดีปากไม่ตาก็ดีตาตัวเองก็ดีตาคนอืดด่นกดด็ก ด, ดีมักจะไปโทษกันเช่นคนอื่นบอกโอ้ยน่นมันพูดไม่ดี มันแย่ ม, มากๆโผล่คนนั้นมองด้วยสายตาเราโอ้โหเหมือนเราไม่เป็นคนไนะ้่เป็นมนุษย์แต่อนยะ่างงั้นดแย่หูก็รับเรื่องใหม่ลนะโอ้คนนั้นเขาพายมึงคนนี้เขาว่าอย่างนุน่ะไม่มันหาเรื่องนะหูตายจมอกปากนันาหาเรื่องมันมันแต่นี้ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นต้นเหตุต้นต่อครูจะสอนเราให้มีเหตุให้มีผล คือมองทั้งเหตุและผลอย่าไปมองผลอย่างเดียวถ้าเราไปมองที่ผลเนี่ยมันลําบากขอแยกนอกเรื่องนิดนึงการนี้เป็นชาวบ้านนะครัโอ้บรรหาชาวบ้านไม่กี่วันสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยเหมืนกันวัยรุ่นสามคนเข้ามาบอกว่าทำบุญให้ใครถ้าบุญให้เจ้ากรรมนเวรเดืทางเพื่อความเข้าใจไหว เจ้ากรรมนายเวรมันเป็นยังไงแล้ว เ, เรารู้ได้ยังไงว่ามีเจ้ากรรมนายเวรไปดูเมื่อดูหมอมาไปหาสูงเจ้าพอผีมาเขาบอกว่าเห็นไหมอย่างนี้มันไม่ได้พึ่งสติปัญญาของตัวเองเลยก่อนไปไปหาเขาก็เสียตัง กลับมาอีกก็เสียตางนี้ได้เสียกับเสียแล้วได้อะไรขึ้นมาการไปอย่างนี้แสวงหายอย่างนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ไปแล้วไม่ต้องสบายใจแต่ไปแล้วกลับมาไม่สบายใจหนักกว่าเกา่าคือจะต้องแก้กรรมก็รือต้องถามว่าก็รับกรรมคืออะไรเขาตอบไม่ได้เนี่ยคือความเข้าใจผิดสิ่งที่แก้ นั่นมันเป็นผลของกรรมมันไม่ใช่ตัวกรรมคือมันมีเหตุแต่เราจะไปแค่ที่ผลมันแค่ไได้เหมือนต้นไม้ผลไม้ผละไม้ไมชัดเจนผลลัพไม้คือผลของต้นไม้แต่ว่าเหตุของมันมันไม่ใช่ที่ผลแต่มนุษย์อย่างชอบเสวยผลจนลืมตัวจนเคยชิน อยากกินอะไรไปตลาดได้คําตอบทุกอย่างอยากกินผลไม้ซื้อแต่มีใครบาคนที่จะคิดปลูกก็คือเหตุของมันว่าโอ้ผลไม้มันอร่อยนะแล้วเค ค, คิดเคยคิดต่อมัเออเราน่จะปลูกไว้ที่บ้านแล้วต้นต่อไปกไ็ต้องไปซื้อก็ต้องไปหามานต้องระเด็นร้อนลแล้วแล้วมันได้อะไรเยอะแยๆอยูอ่ภาในบ้าน ขึ vezes, euh, si ição, women, ้นปากสุนโคลว่ากินได้ก <que es S 1> ็เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่อย่างนี้เราจะเข้าใจจริงๆแล้วมันเป็นธรรมะเขาขอซ้อเนี่เป็นธรรมะด้วแต่เราคิดไม่ออกเป็นธรรมะตรงไหนมันนนมันกจริงปรารถนาต้องการคือผลเอาพาะคือปรารถนาเอาอธิษฐานเอานึกเอาและให้มันสำเร็จดูสิ แต่ถามว่าสิ่งอย่างเนี้ยระพุทธเจ้าสอนไห ม, มแต่เมื่บอกพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าถอยออกมาให้ดูว่าพระุทธเจ้าสอนอะไรพระธรรมที่ใช้ใช้ฟคำว่าไหนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านแนะนำสัสอนอย่างไรนี่ยาเราไม่เข้าใจกันก็อย่างนีมันจะออย่างนี้ตลอดทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าใครมีพรพโอเบิ้นผูกญาติจิโอเบิ้ติการให้สตนะิดีกว่าให้สตังคือให้สตังแต่มันก็หมดให้ไปร้อยแต่มันก็หมดไปร้อยหนึ่งเราก็ต้องให้ใหม่อย่างนี้นมัไม่มีเดือนมีดาวที่เรามีอยู่แต่ให้สติจะไม่มีหมดมีแต่เพิ่มมีแต่เติมมากขึ้นเติมต่อยอดมากขึ้นมาขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราขาดเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราขาดเราก็ได้เติมให้มันเต็มมันพร่องอยู่ ก็จะได้มันเติมขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลาดับแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่ากายกับใจนี่มันก็คือเจ้านายกับมูน้องนี่เองทีนี้อย่าไปโทษนะอย่าไปโทษตาอย่าไปโทษหูอย่าไปโทษจมูกอย่าไปโทษ ป, ปากโทษกายของตัวหรือคนอื่นก็แล้วแต่ถ้าจะโทษเราโทษใจเพราะใจเรายังไม่ดีพอ มีผู้หลักผู้ใหญ่ในเ ม, มืองเคยถามถามผู้ว่าจารว่าทอ้อคือทำเท่าไหร่เบอกไม่มีใครเห็นความดีคนนั้นก็แปลว่าเราอยากทำคนดีเพื่อให้ค น, คนอื่นเขาเห็นความดีนั่นเป็นความอยากชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่มันละเอียดกว่าความอยากทั่ ว, วไปแต่ถ้าเรามาปฏิบัติ ม, มันก็จะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นอย่างนี้ ฉันเราทนนําคนอื่นทำมันไม่ได้ดีเลยให้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแค่ว่านั่นแสดงว่าความดีของเราที่มีอยู่มันยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างคนอื่นเขาซึ่งต่างกับครูอาจารย์ท่านมีความดีเยอะแล้วท่านมีความดีเพียงพอแล้ว ท่านจึงเป็นตัวอย่างท่านก็ไม่เดือดร้อนนั้นปรินึกเสมอว่าเออเรายังดีไม่พอคือตายังดีไม่พอหูยังดีไม่พอปานยังดีไม่พอมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าตาเราดีก็เหมือนคนตาดีมองเห็นอะไรก็ชัดซึ่งตาคนตาบอดมีตาเหมือนกันแต่มองไม่เห็นหอคนหูวหวู พขาก็มีหูเหมือนกันแต่ไม่ได้เยินผมมีปากเขเป็นใบ เ, เขาก็มีปากเหมือนกันนะพูดไม่ได้พูดแต่แปะแปะแปะแปะแป ะ, แปะมาดเรื่องเออโอปานาจิโกน้องปลาตัวเองว่าผู้รู้จักต้งบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยคือมีเหตุและผลว่ามันถามมากก่อนหน้านั้นถ้าเรามียานอย่างรู้สักนิดนึงว่ามันต้องมีที่มาที่ไป ทำไมต้องบอดทำไมต้องหนวกทำไมต้องใบก็ เ, เพราะว่าเราเห็นอยู่ทุกวนัน่ตาดีเห็นทุกอย่างแต่ก็ไม่เอาฐานเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรคนตาบอดหูได้ยินหมนคนนั้นก็ได้ทำนีแต่ไม่ฝังปากปบอกอย่าหยุดนะอย่าไปต่อควายาวสายความยืดให้มันสั้นลงกัรดำยิ่งดีไอ้ปากคือวาจานอย่าไปต่อ เราต่อมันยิ่งยาวยาวมันก็ไม่จบคือเรื่องมันไม่จบง่ายๆจากเรื่องสั้นกลายเป็นเรื่องยาวหนังสั้นกลายเป็นหนังยาวสุดท้ายกลายเป็นหนังฉีดเนี่ยเพราะมันไม่จบเราทาให้มันยาวดังนั้นอย่าไปต่อความยาวสาวความลึกก็หมายความว่าอารมณ์เทื่อันผ่านมาทางตาก็ดีทางหูก็ดี ถ้ากลิ่นเร็วจะโงเนี่ก็ือระมัดระวังสำรวจ ม, มองดูได้ยินได้ฟังด้วยความมีสติเนี่ยเรียก ว, ว่าตั้งใจนะคือใจมันตั้งได้มันก็รู้ได้รู้ได้คือสตินี่นเองนั่นคือห น, น้าหน้าคือคนมีสติแต่ว่าพลั้งเผลอทำลงไปโดยไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ว่าความคิดมันทําลายตัวเองทําลายคนอื่น ก็ไม่รู้คำพูดมันทำลายตัวเองหรือเปล่าทำลายคนอื่นหรือเปล่ามันทำร้ายกันหรือเปล่าก็ไม่คิดนะตังนี้เราจะไปโทษใครโทษให้มันถูกที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าใจอย่างเดียวเท่านั้นเพราะใจมันเป็นต้นตอใจเป็นเจ้านายต้องรับผิดชอบให้ได้ทีนี้เผอิญว่าเรามีเจ้านายโง่อะทาไง หนึ่งการบริหารจัดการไม่ เ, เรื่องเลยแต่ว่านั่งหงัวปวดาจไม่รู้เรื่องทํางานก็ไม่เรื่องเอาใจเ อ, อะมัเทิงโวยวาเจ้านายมีเจ้านายไม่ดีเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราเจ้านายเราเนี่ไม่ดีพอก็คือใจใจเราไม่ดีพอมันก็อยู่นะถ้าอยู่กับเจ้านายไม่ดีมันก็เป็นอย่างนี้มันมีใจเรื่องไม่รู้อะไรเรื่องมัเป็นเรื่องเขาอะไรเป็นเรื่อง เพราะเจ้านายไม่ดีถ้ามีเจ้านายที่ไหนดี่ดีเออพอดีได้มันร่มมันเย็นมันสบายเข้าใกล้สบายไม่ร้อนมันเป็ น, นลักษณะเหมือนมืนก็บแค่ครูบาอจารไม่มีใครร้อนอืนอกจากร้อนตัวเองหรือตัวเองคน่รูบาอาจารไม่ถดงร้อนมันอย่าไปทํามันร้อนอืตาดีๆอย่าไปทำให้มันเสีย โอ้ดีดอย่าไม่มนเสียปากดีดีอย่ามันม่เสียรักษาคือรักษาสิ่งเหล่านี้นัังการบัญชามุ่งต้นคือพื้นฐานถ้าเป็นวิชาคือวิชาพื้นฐานทีนี้เรามาไล่ดูแต่ระดับแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปมันมีขั้นตอนมีระดับก็คือระดับธรรมดาคือพื้นฐานระดับกลางกางระดับละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นที่เราที่มีอยู่ก็เหมือนกัน เอายกตัวอย่างเช่นสินสินที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนั้นมันเป็นสินขั้นไหนข้นขั้นญาญญาหพือพุทธานสินขั้นกลางสินขั้นสุดยอดของสินงาที่เราสวดสินทุกวันศีลปารามีสัมปันนองถึงพร้อมเป็สินศีลอุปปัปารามีอันนี้คือขั้นกลาง ศีลประวัติฐานนีอสุดยอดของศีลเพราะศีลก็มีหลายระดับเพราะงัการที่เรารักษาศีลโดยการข อ, ข อ, ข อ, ขอ ก, ขอดกรรข็ดีการสมาทานำคดีเดี๋ยวขอจากพระพระนั้นก็ให้ละศีลนี่อันนี้คือธรรมดาเรียกว่ารปรับพื้นฐานปรับพื้นฐานของกายปรับพื้นฐานของวาจานี่คือศีลเมื่อใดก็ตามถ้ากายมันละเมิดวาจามันละเมิดละเมิด สิทธิของตนเองหรือคนอื่นก็แล้วแต่ชัวร์ละเมิดสิ่งตามันเดือดร้อนไหมหูมันเดือดร้อนไหมปากมันเดือดร้อนไหมไม่เลยต่อให้ไม่ไม่ชอบตาต่อยตาต่อไม่ชอบหูตบหูต่อไม่ชอบปากต่อยปากแล้วปากมันเดือดร้อนไหมตามันเดือดร้อนไหมอะไรเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราตบปากมันก็ไม่เป็นอะไร เพราะไม่เกี่ยวอะไรกับใจตบหูก็เหมือนกันต่อยตาก็เหมือนกันเรียกว่าแก้ปัญหาผิดที่เป็นการแก้ปัญหาเหมือนกันแต่มันผิดที่ถ้าจะต่อยถ้าจะร่ถ้าจะทุบถ้าจะมองจี้ลงไปมันต้องรู้ที่ใจเพราะใจเป็นหัวหน้าใจรับผิดชอบเพราะนั้นมีอะไรก็ควรให้โทษะให้ดูใจตัวเองคือให้รีบกำหนดใจเหมือนที่เราฝึกเนะี่ย ส่วนลมหายใจโบราณ น, นั่นบอกว่าอย่างน้อยสุดคือ้ากลองปลดวให้นับหนึ่งถึงสิพก็มีสตินั่นเองระปลิดลมาหายนับหนึ่งก่อนแต่ไม่ใช่วันหนึ่งก็เรจะซีบไม่ทนันเท่นั้อย่างนี้ไม่ทันก็ให้นับใหม่นับหนึ่งสองเดี๋ยวพอเพิ่งยินเราก็ค่อยรู้ตัวคือมีสติ น, นี่คือการรู้ตัวอันนี้แค่นันดับแรกคือบอกสญญว่ารู้ตัวเป็นอย่างนี้แต่อีกตัวรู้เนี่ยมันยังไม่มีกับเรา มันก็จะเป็นหนังมันนั่นการรู้ตัวกับตัวรู้คนละเรื่องที่ฝึกเพื่อให้มีตัวรู้คือผู้รู้ไม่ใช่กันรู้ตัวสักแต่ว่ารู้ตัวการฝึกรู้ตัวคือฝึกให้อารมณ์ของเราอยู่กับอริบทตทั้งสี่คือยืนเดินนะั่งอริบทไหนก็ได้ไมีสติคคขั้มกลับนี่คือการฝึกให้การรู้ตัวแต่ตัวรู้ขึ้นมาอยู่อริบทไหนมันก็รู้ นั่ก็รู้ยืนกนรู้เดินก็นรู้ในการดูตัวถึงขนาดว่าถ้าสติสมบูรณ์จริงๆแม้การหลับก็ยังรู้เนี่ยก่อนจะฝันหลังฝันมันจะปฏิจจุติปต่อ ว, ว่าฝันพืนมันจะโอ้ถ้าหยุดทันทีเหมือนกับที่เป็นกลางวันแสๆนี่แหละแต่เพอะเอว่ามันไม่แสดงออกทางหูทางตาได้มันมีภาพอยู่ข้างใน เงื่อนภาพอะไรเพิ่มเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นมาทีเพิ่มเนี่ยมันจะต่อทันทีเลยปัะทินญาที่เป็นประจักษ์เกิดบางทีเราฝันเห็นคนนั้นคนนี้คนน้นทั้งๆที่ไมเคยมาก่อนแต่ฝันดีมันก็ดีถ้าฝันไม่ดีเอาเดือดร้อนอยู่แล้วจะเดินฟังฝันฝันงาพนักงานตัวเองนี่แหละงั้นถ้าไปคิดว่าเรื่องนอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เติมโตมันก็ไม่ใช่ตอนจิตดวงนี้ถ้าสติมันพร้อม มันเข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นจากการตั้งจิตตั้งใจคือใจมันตั้งแล้วเจนตั้งอยู่ในอารมณ์แล้วสิ่งที่มันกระทบเราปฏิฆะตัวอย่างที่มันมามาทางไหนมันก็รู้กระทบมันก็รู้มันรู้ได้มันก็รู้นะที่มันต้องวางเป็นตีนไม่ใช่รู้แล้วก็รับรับเอาไว้เป็นปัญหาเองรับดีมาเหมือนก็เป็นปัญหารับไม่ดีมามันก็เป็นปัญหา จะถามว่าเอ้ารับดีมันเป็นปัญหาด้ีหรือเป็นเพราะสุดท้ายมันก็จะติดตีอารมณ์นี่มันสบายอย่ามันเกิดอีละอยาเห็นไหม น, ดดนะ น, น, น, น, นี่อติดตีนะนี่ยอารมณ์มาดีอันนั้นไม่ดีอารมณ์ณมาขุ่นหมดพวกอุ้ยอารมณ์วันนั้นคนนี้ในอดีตหรปัจจุบันในขณะ น, นั้นเข้ามาทางตาทางหูรับเอาไว้ลำ บ, บากทุกข์หายคือทุกข์ขึ้นมาสบายใจ รั้นอารณ์ที่เป็นสุขะกะด็ดีทุกขะก็ดีเกิดขึ้นกับเรานี้ถ้าเรามีสติรู้ไม่เท่าทันสิ่งเหล่านี้คือไม่สามารถที่จะอุเบกขาคือวางสิ่งเหล่านี้ได้ตามธรรมชาติของเขาเขาหมายไงก็มาอยู่เขาไปไงก็มาอยู่นั่นคือธรรมชาติของเขาถ้าเราจิตจะาเป็นน้อมรับเอาสิ่งเหล่านี้ลําบากแล้วก็จะต่อไปเรียกว่าต่อเรว่าสาระก็ให้มันดับ กระทบแล้วรู้รู้แล้วก็วางหรือนันก็ยดับเรื่มันร้อยแปพเรื่องที่มากระทบใจในแต่ละวันแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ว่ากระทบนั้มันดับหรือเปล่าไม่เคยดับสิ่งมากระทบเราไม่เคยทําให้มันดับเลยเปลี่ยนธรรมาเดี๋ยวมันก็มาอีอารมณ์เหล่าเนี้ยเพราะมันคือเวทนาคือการเสวยอารมณ์แต่เราเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจตรงกันเวทนา สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาตรงนี้ที่เราไม่ค่อยเอากันเราเอาแต่สุขกับทุกคือเลือกสองอย่างถ้า็นสินค้าเลือ ก, ก็เลือกแค่นี้ถ้าต้องการก็ต้องการแค่นี้และไอ้จน์หนึ่งก็ยอมรับหนึ่งก็ปฏิเสธไปแต่ตัวที่มันเป็นกลางจริงคืออุเบกขาเราเรายังเข้าไม่ถึงเราก็อยู่กับพวกสิ่งเหล่านี้ก็โอปปาิกโกมองข่าดิวันนี้ เดี๋ยวนี้เราอยู่กับอะไรอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขอยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์<ม>ก็ให้เข้าใจแล้วทำความเข้าใจอยู่อย่างนั้นอยู่กับอารมณ์อนั้นอย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วความมีสติถ้าสติขาดเมื่อใ้ก็ตามสติขาดก็คือตากระทบรูปอ่าไม่ทันหูได้เสียงไม่ทันปากเตี๋ําอปล่อยออกไปแล้วไม่ทันนะเกไม่ไดาน เนี่ยคือเพราสติทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยมันเกิดขึ้นทุกวนันแต่เราไม่เคยเอามาเป็นบทเรียนไม่เคยเลยโดยเฉพาอย่างที่คือเบคคาร์โดยจิตที่เป็นกลางจริงๆมันสบายมันวางได้วางอารมณ์ได้าวางอารมณ์ทั้งคนเองนะคือจริงๆแล้วควรจะเป็นอารมณ์ของตัวเอ ง, งไปไม่ควรจะเป็นอารมณ์ของคนอื่น เพราะเราอื่นนันเป็นสิ่งที่เรารับเข้ามาแต่ถ้าเราไม่รับมันก็จบเห็นสัจเปรมาเห็นได้ยินสักเปรมาได้ยินมันก็จบแล้วแต่มันเราไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สัจแต่ว่ามันไปต่ อ, อเหมือนเราเห็นคนทั้งหลายร้อยแปดพันเกเราก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเราเห็นคนรู้จักกันเออมันจาได้นะสัญญามันทำหน้าที่ทันทีสัญญาตัวนี้มันระวังอันตราย สัญญาณหรือว่าสัญญาณสัญญาณอันตรายแต่เราไม่ร่วมาปนอันตรายเราควรจะใช้บริการ น, นั้นเพราะฉะนั้นเป็นการฝึกตัวเราเองให้มีสติตัต้งมื่อเพราะฉะนั้นสิลจึงเป็นพื้นาฐานของสรรพสิญญ่งทั้งหมดคือเปรียบเทียบเสมเหมืนมอนกับแผ่นดินมันเป็นเครื่องรองรับได้หทุกอย่างส่วนธรรมคือสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ มันคนล เ, เรื่องคนละตัวกันแต่ในนด้วกันมันก็เอื้อซึ่งกันและกันศีลกับธรรมต้องอยู่ด้วยกันแต่เวลาเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันหมายถึงบ้างปฏิบัติหนะ่อยโดยความคิดเรามักจะแยกเป็นเรื่องแยกเป็นเรื่องก็แปลว่าศีลอีกเป็เรื่องหนึ่งสมาธิเป็นเรื่องหนึ่งปัญญาเป็นเรื่องหนึ่งเพราะเราคิดอย่างนี้เราก็เลยทําทีละอยา่าง เราอยากได้ส e. ิ lands, thi, BSCRI, ่งก็ขอสิ่งมาทานสิ่งและสิ่งอยากได้สมาธิก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนยปัญญาเนี่ยเอาไปยังไงอันนี้คือความที่ไม่เข้าใจกันเข้าใจไม่ตรงกันเราเข้าใจเป็นคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันจริงจริงนะมันเป็นเรื่องเดียวกันเหมือตัวเราตัวตนของเราของเขาทั้งหมดที่มีอยู่ที่เป็นผู้หิงผู้ชายทั้งหมดจะนั่งอยู่ตรงนี้เราพูกเรามันมันไม่ได้แยกเอน จริงๆแล้วจิตนี่มันไม่ได้แยกอะไรเลยมันไม่ได้แยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงมันก็เป็นผู้หญิงอยู่กับผู้ชายเป็นผู้ชายออันนี้คือสภาวะผู้จริตเพราะจิตของเราเป็นมาสารพัดมีอะไรที่าไม่เคยเป็นเป็นผู้หญิงเป็นมาแล้วเป็นผู้ชายเป็นมาแล้วเป็นคนยากไรอนาถาเป็นมาแล้วเป็นหมดทุกอย่าง เรานปัจจุบันเป็นตัวชีวัดว่าอ้ออันนี้คือผลของทานผลของศีลผลของสมาธิผลของปัญญาผลของทานทำให้เราไม่ลำบากเราพออยู่ได้กับสังคมนี่ซึ่งต่างกันเราไม่ร้ถึงทานทาไมคนที่มีคนยากคนจนจนไม่มีอะไรบ้านช่องห้องหองไม่มีเลยเสืยอผ้าเอาบอลตัวเดียวเอาไว้ปกปิดร่างกายเท่านั้นเอง มันจะป้องกันแดดป้องฝนป้องอื่นไม่ได้เลยเนี่ยคือสภาพผลเราก็เห็นอยู่ น, นี้คือโทษของโทษของฐานที่เราไม่รู้จักใ้การฐานโทษของสินก้อนี้อะไวะคนมีการโ ห, โหนะูนาตาสมองไปกันหมดเนะ น, นี่ย อ, อันสี์ของสินคือโทษของสินที่เราไม่มั่นคงในสิน ส่วนธรรมคือปัญญาเห็นไหมสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความรับผู้ชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถามว่าสิ่งนี้เราทําได้ไหมทําได้ตั้งใจไหมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะสํารวมสํารวจตรวจตาดูตัวเองตรวจตาตัวเองปกติไหมตรวจหูตัวเองปกติไหมตรวจปากตัวเองปกติไหมตรวจแขนขามือเท้าขาสอกปกติไหม ถ้ามันอยู่ปกตินั่นแหะคือศีลมันอยู่ปกติเขาเขาเป็นศีนลนะส่วนธรรมเห็นแล้วรู้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาไหมได้ข้อคิดไหมเช่นเห็นการเกิดการเก่การเจ็บการตายโอปะระยุโผล่ไหมน้อมกล้าตัวเองไหมสิ่งเหล่านี้ที่เห็นดีชัดที่สุดลองไปโรงพยาบาลครบ เกิดแกเจ็บตายโรงพยาบาลเน่ยครบที่สุดโรงพยาบาลบาลคือโรงรักษาลรักษาได้ครับอยู่ได้รักษาไม่ได้ครับตาย ม, ตมีพร้อมทุกอย่างแต่เราก็ยังมองไม่เห็นอยู่เทีเรานี่ยไม่หมายถึง ใ, ใจคือไม่ได้มองซิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันตาเนื้อตาหนังธรรมาดา มันไม่ใช่ตาในมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ในที่หมายก็ว่าเห็นแล้วมันไม่เกิดธรรมะสังเวกเกิดขึ้นในใจว่าโอเกิดแก่เจ็บตายกับคนกับมนุษย์มันใช้ได้กับคนกับมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะมีใครที่มองเห็นพิษเห็นภัยของการเกิดของการแก่ของกาเจ็บของการตายเหมือนเวลานี้ขนาดฝั่งโู้นเห็นไหมฝั่งโู้นเนี่ย เจ้านายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โดยแต่บ่าวนอนนอนนิ่งๆที่เจ้เนี่ยแต่ทาบุญนะทำบุญให้เบาแล้วนะไม่ตำบุญให้เจ้านายนะพู้เราเหมือนกันถ้าจิตออกจากร่างเ่หมดสภาพหมดทุกอย่างเลยมันทําอะไรไม่ได้เลยต่อแปข้างหนาไม่ได้ก้าวข้างหไม่ได้เลยได้เท่านั้นเสียเท่านั้นอันเป็นอุชาฮอนคือเป็นตัวอย่าง ว่าใ น, นการนำควชีวิตของเราเราจะได้ไม่ประมาทในสิ่งหนึ่เมื่อไม ป, ประมาทจะไม่พอจะไปเชเออ่อเราไม่ใช่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคือต้องลงมือปฏิบัติด้วยโอปนิโคลงมือปฏิบัติน้อมการจิตน้อมใจตัวเองแล้วปฏิบัติมองทุอยา่างให้เป็นธรรมะทุอย่างมันก็จะเป็นนะอย่าง น, นี้สติปัญญาของเราจะเริญมคือสติปัญญาจะเดินขึ้ น, น, น, นมันก็มากขึ้นกเอาเงเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้น เรายิ่งเห็นความแตกต่างของลรทธิรัทัิศาสนาทั้งหลายเห็นธรรมะสังเวชเกิดขึ้นมากขึ้นในชีวประจัพบานวะนนั้นสิ่งเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าจับอยู่เสมอสาหรับพิจุตที่ยังไม่หลุดไม่พ้นเห็นอะไรก็แล้วแต่ร้องผมร้องอานดินทาสารเสร็จสุทธุขขาาควาวกันไปเพราะว่าพิจุตตอนนั้นยังไม่หมดยังไม่พ้น คือธรรมะสังเวชไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ท่านหมดท่านพ้นแล้วท่านมองเรื่องเหล่านี้แบบธรรมะสังเวชคือสลดใจกับเห็นสิ่งเหล่านี้สลดใจก็คือธรรมะสังเวชนั่นเองแต่ว่าเรากลับไม่ได้มองไม่ได้คิดเรื่งเหล่านี้เป็นเรื่องสลดใจโดยเฉพาะคือมนุษย์ทั้งหลาย มองสิ่งนั้นไรเป็น่ของเพลิดเพลินเหมือนวัตถุสิ่งของเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยมันกลายเป็นสิ่งของเหมือนวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้กันไปเท่านี้เองอย่างนี้เกิดมาเปล่าประโยชน์แล้วเกิดมาถ้าได้ประโยชน์จากการเกิดถ้าได้ประโยชน์จากการมีรูปธาตุสีขันธ์หสมบูรณ์บริบูรณ์ บ, บนพวกเราทั้งหลายถือว่าโชคดีไม่งั้นการปฏิบัติธรรมให้เราลำบาก มีขาข้างเดียวเดินดูกรมยังไงตาสองข้างจะมองไม่เห็นจะเดินยังไงเดินต่อไปไม่ได้ดี่น้อยน้อยมากๆเนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากเราก็มองไม่เห็นกันอยู่เพราะนั้นอย่าประมาทในสิ่งเหล่านี้ในทุกเรื่องความไม่ประมาทเนะที่พระเจ้าชี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรามม่เช่เล็กเล็กไม่น้อยนะ นั้นมันให้พวเราทั้งหลายให้ดูใจรักษาใจของเราเองให้มันปกติอย่าให้มันผิดปกติเหมือนหัวใจหัวใจถ้ามันเต้นผิดปกตินี่เป็นเรื่องเลยนะมันต้องหาโรงพยาบาลหมอหาอะไรจัดการละแต่ถ้ามันเต้นปกติธรรมดาแต่มันเตนไม่มีใครรู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่ถ้ามันก็เต้นปกติของมันหมอนขายังเต้นอยู่ของมันนะเป็นั้น ความปกติอนนี้คือปกติกายปกติวาตาปกติใจคือธรรมถ้าเราทําทั้งอางให้มันปกติเราจะไม่เดือดร้อนมากเกินไปทีนี้ถ้าเกิด ค, ความรำคาขึ้นมาพระโอปปะริออโก ม, มองว่าเดือดร้อนเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะอะไรเดือ้อนเพราะหัว ใ, ใจถูกลงหรือใจใจใจเดือดร้อนเพราะกายก็แก่ที่กายเดือดร้อนที่ใจก็แก่ที่ใจ แต่เห็นว่านั่นการปฏิบัติตามของเราจะเป็นการดับคือการดับปัญหาการตัดปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเราจะเห็นว่าเรานั่งอยู่เฉยประโยชน์ได้ทันทีเลยกายไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องทํายทำลายในอันอนีสอง่งายว่าจะไม่ต้องไปพูดส่อเสียดตัวนั้นตัวนี้ตัวโนลินทานสารเสพติดจไม่ต้องใช้เลยปากเราก็เงียบหมดนี่นนคืออานนี้สมแก้แท้ มันจะส่งผลต่อเราในภายภาคหน้าอันนี้คือแค่สินสินที่เราบริสุทนี่สินกันหยากไม่สินอะไรเลยมันยังมีค่ามีอะไรส่งมากกว่านั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้ไม่ต้องเป็นหัโคกกระรางลั่นนี้นู่นโคกกรรมไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องไปแก้เวรแก่กรรมพราะกายเราก็ไม่ทําอะไรวาจาไม่ทํำไรกรรมมันก็ไม่เกิดคือกายกรรมว่าจีกรรมไม่เกิดเหลืออย่างเดียวคือมัโนกรรมคือกรรมทางใจ หรือตัวเดียวมันก็น่าจะรักษาง่ายซึ่ต่าเราออกมาแล้วมันต้องกายต้องวาจาล้ำบาเท่านาเหลือแต่ใจอันเดียวมันน่าจะง่ายก็มาดูว่าใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็แปว่าใจมันเป็นกุศลไหมใจนเป็นอาคุศลไหมใจเป็นกุศล เ, เพราะอะไรใจเป็นกุศลเกิดขึน้นมันมีอารมณ์คือธรรมชาติมันเป็นอย่างไรใจที่เป็นอาคุศล เวลามาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรพิจารณาให้เข้าใจตอนแท้นี่คืออบรมใจเบื้องต้นศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาเมื่อปัญญามาเกิดขึ้นนะปัญญาจะมาย้อนกลับมาอบรมใจของเราเป็นขั้นตอนนน่อนใจธรรมะสะไมนนะะเกิดขึ้นแล้วนิพพานก็เกิดนิพพานคือความดับโดยไม่เหลือจะมาจากไหน ไม่มีไม่มีอะไรสิ่งไปอื่นไปนอกจากนี้เลยอันนี้คือขั้นตอนที่เราเื็นปรียชเป็นพื้นฐานเป็นวิชาพื้นฐานนี่ก็ถือว่าแต่เรามองข้ามสิ่งเนี้ก็คือเราไม่สนใจวิชาพื้นฐานเลยจะกล้าร่ายแบงไหนจะกระโดดเข้าไปสูงได้ไหมจะประโยชน์ไกลได้ไงเพราะมัน ม, มีกําลังมันแรกเราค่อยปรับพื้นฐานอันนี้ฮะมันนั่นให้มันมั่นคงถ้ามันนั่นมันมั่นคงแล้ว มันก็จะเหมือนกับแผ่นดินใบบนี้เป็นที่รองรับได้ทั้งหมดได้หมดสุขทุกได้หมดคือพูดง่ายๆถ้าเป็นแผ่นดินน่าจะเปรียบว่าอุจจาระมันก็รองรับได้ปัสสาวะมันก็รองได้ต้นไม้ก็รองได้ภูเขารับรองได้น้ําก็รับรองได้ด้วยดินเผื่ น, นี้ถ้าทำใจของเราหนักนั่งอย่างนี้จะอยู่ที่ไหน ก็อยู่ได้ให้มีอาหารเพราะเราจะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายราอสรรพสิ่งทั้งมวลนี่คือดินศิลป์เราก็เช่นเดียวกันอันนี้คือความสําคัญของศิลป์ให้พวกเราทั้งหลายเน้นย้ำสํารวจตรวจจาก่อนที่จะนั่งเออดูสินราะมันเรียบร้อยเนีก็สบายใจละบัญจาหรือแต่ใจดูใจอย่างเดียว แต่เป็นกุศลเป็นยังไงอาวุโสนเป็นยังไงก็ค่อยเจริญเจริญขึ้นตามําดับตามําดับอย่างเงี้ยมีการเจริญสติในชีวิตประจำวันสติเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เปนเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนั่นแหละการเกิดไม่ใช่เรื่องใหม่การแก่ไม่ใช่เรื่องใหม่การเจ็บนี่การตายก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่าๆทั้งนั้น เพีแต่เราพิจารณาให้มันเข้าใจอย่างที่ตวเพจ่อจะอยู่กับสิ่งนี้สุดท้ายเราก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปวันหนึ่งต้องทิ้งแน่นอนเมันทิ้งไปแล้วจะอยู่ยังไงอยู่ที่เราเก็บมันจะอยู่ที่เมล็ดละเมล็ดแห่วความดีนะว่าถ้าได้มเมล็ดความดีเยอะที่จะไปเกิดข้างหน้ามันก็เป็นต้นไม้เป็นที่ต้องการเป็นสมบูรณ์ผลผลก็เกิดมาเป็นคนก็สมบูรณ์ คล็อาการสารปองปัญญาสติปัญญาเจียดแรงสุนตนะมันคงอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานความต้องการพื้นฐานขอ ง, นขอ ง, ของมนุษย์นั้นก็าฝากเราทั้งหลายอย่ารประมาทในวัยในชีวิตยังยังนมอยู่ยัยงเ ว, เวลามีเวลาอีกเยอะอย่าไปคิดมีเวลาเมื่อไรคิดให้เป็นอัดเป็นธรรมทันทีมองทุเรื่องที่เรามีอยู่ขณะที่เราทำมันเป็นธรรมะตายทางนั้น ไม่ใช่เป็นนักข่าววัดข่าว่าเรื่องจริงไม่ใช่เป็นนักวัดแต่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแปลว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมีใ น, ในใจหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าใจเอาเองคือคิดเอาเองพูดเองเออเองมันไม่ใช่มันสมัครใจช่วยเราได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มืนก็บวความรู้ยเยอะๆทำไมด็อกเตอร์ดอตอรสัตว์สุนทรอาจารย์ถึงระพฤตชั่วทําผิดต้องเจริญเป็นกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่คือ เรื่องของก่ขัดบาดตายถ้าไม่ยังทำอยู่บาไครั้มีความรู้ความจำดีก็ดีแต่น่าดีแต่ก็ยังทำเพราะอะไรมันก็เพราะใจมืดมันบอดมันไม่มีความฉลาดทางใจอ่ะอันนี้คือสาระสำคัญก็่า พวกเราทำมา ห, หลายรับวันพระวันนี้เน้นตัวเองพัฒนาไปเองชําระตัวเองด้วยศิลงสมาธิและปัญญาสมัยปันหนึ่งเราจะเป็นผู้สะอาดหมดจนบริสุท์คือใจมือใจบริสุทธิ์เมื่อจบแล้วใจมันฉลาดแล้วมันก็จะวางดีมันก็จะไม่เอาไม่ดีมันจะไม่เอามันก็จะอยู่ตรงกลางสุดท้ายชิงความดีความไม่ไดที่มีบทพระนิพพานต้องชิงมันจะเอานะบท ป, ป, ปลายทางเลยถ้าเราไม่ฝึกชิงเลยมันไม่ได้ มีแต่จะแบกมี่จะเอามีแต่จะใส่มีแตจะยัยยดกข้ไปไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยยิบเอาเลยไปนิพพานไม่ได้เพราะเป็นคนหนักกายหนักใจหนักไปไม่ได้ไปได้ก็ไปใกล้ใกไปไกลไม่ได้เพราะนั้นทํากายให้เบาทําใจให้เบาเราก็จะเป็นคนที่ไปไกลจนถึงปมายสุดปลายทางคือพระนิพพานนั่นเองมานี่ก็ขอฝากธรรมะสิริปันน้อยฝากพวกเราไปเครื่องพิณพิจารณาไปใช้ ในชีวิตประจำมวันมันก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแท้จริงเอาวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้